มีลิงอยู่ในวัดมีสัตว์อยู่ในวัดมันก็นดีนะดูๆแล้วไปที่ไหนเหมือนกับ น, นั่นเหมือนกับเมืองเพชรบุรีเนะ่ะไปที่ไหนเห็นแต่ลิงโย่เย่ยไปบนก็ดีเหมือนกันนะท่านก็ไม่พูดอะไรหลวงพ่อก็ขนไปให้แล้วบัตรขนไปโูขาวนั้นมันเกือบแปดสิบตัวปลนะขนไปเหมือนกันขนไปขนไปขนพ่อโอ้โหมันพอหมูดเมันรื้อได้แต่เนี้เคื่อนไปแถวเจดีน่ะไอ พวกต้นวัดธนาต้นอะไรเนี่ยต้นประดับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเลีงไปแกะกินยอดมันมดบวานนี่เออหลวงพ่อจะรียวโวยวายแลยโอ้อยเอาไม้ได้พอๆพอๆพอๆโอ้หลวงพ่อโคดไปนีงเกือบร้อยตัวแล้วเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ก็ยังโยเ ย, ยอยู่นะเพราะว่าคนฆ่าคนยิงมันไม่ได้มันก็เลยอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวนี้โ ย, ยเ ย, ยอยู่แถวนั่นแหละอที่วัดปา่าภูก้อนนะ่ะอแต่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 ลิงนี่ยมันโง่กว่าคนีช่ไหมมันไปเห็นมันไปจับลวดอย่างนี่เลยไปจับลวดไฟช็อตมันโอ้โหขี้ตาขี้แตกขี่ลาดแถวหลังคาจากนั้นพอเข็ดเลยงันไม่ขึ้นบนหลังคาสาลาเลยแต่แต่วัดของเราเนี่ยไม่มีคูบาทําได้อย่างนั้นบางทีนี่ยที่ลังคาของหลวงพ่อยันขึ้นขึ้นเก่งแน่น่อขึ้นบา ง, ง, นนนนบางทีพระมาอยู่ขึ้นทางหลังสารา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 เสียสมาธิในการพูดอีกคณะในตัวใหญ่ๆ้ว ก, ก่อนค่อยเอาขึ้นมาฟังกับพวกเราเดี๋ยวนี้มันตัวเล็กอยู่เอาลงไปข้างล่างก่อนมันเป็นลิงอยู่ยังเป็นลิงอยู่ยังๆๆมันยังดื้ออยู่เอาลงข้างล่างก่อนจวเป็นผู้ใหญ่อ็ขึ้นมาวันนี้เป็นวันที่สิบสี่เมษายนพุทธศักราชเออ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 โยมพ่อจากไปโยมโยมแม่อายุ95้าห้าปีโยมพ่ออายุ96ปีแต่ลงพ่อคงจะไม่เอาขนาดนั้นหรอกแก่เกินไปวะแต่โยมพ่อโยมแม่ก็ยังช่วยตนเองได้นะเกลงห้องน้าหอกของทาได้ช่วยตนเองได้ทั้งโยมพ่อทั้งโยมแม่แต่ก็จากไปเมื่ออายุ95้า้าก้าส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 ไม่ดื่มสุราตั้งแต่วันเกิดพูดอย่างนั้นได้เพราะบวชมาอายุสิบเอ็ดปีเป็นสัมมาณีแต่ก่อนหน้านั้นก็บ้านนอกคาว่าสุราเนี่ยพ่อแม่ก็ห้ามอีกพ่อแม่พ่อก็มีศีลห้าแม่ก็มีศีลมีศีล ม, มีธรรมอยู่แล้วนะท่านไม่ให้ดื่มสุราอยู่ยแล้วถ้าใครดื่มนะเนี่ยตามขนาดพี่ชายใหญ่จะไปดื่มสุราพ่อยังขู่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 ท่านบอกว่าปุเพเนวาสานุสติยานรละลึกชาติผลหลังได้ ấy. ถ้าตายแล้วสูญจะระลึกชาติได้อย่างไงเราเกิดมาวันนี้วั น, น, ว น, น, ว น, นเดียวไม่มีเมื่อวาน ấy. เราจะรละลึกถึงเมื่อวานได้อย่างไงอันนี้พระพุทธเจ้าวันปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้คือระลึกถึงเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อ น, น, อนปีก่อนชาติก่อนแล้วก็จุตูปปาตยา น, นการจุติของสรรพสัตว์มองคนอื่นทีแรกมองมองพระองค์เองก่อน